เออาการขึ้นห่างก่อนแล้วกันนะครับปกติเนี่ยกระดผมมองรูปตัวเองก็ตกเป็นปกติแล้วแม่ของมันแต่ว่าไม่ปรงเป็นต้องขึ้นมาอันนี้คือปกติผ่านมาว่าสองวันเนี่ยครับเราสามารถที่จะจิตห้อยมาอีกจิตไม่เป็นแม่จอยู่ตรงตรงรูปไมครับเป็นแค่สังเกเห็นแต้งเลยอันนี้คือว่าจิตดีขึ้นคอสมควรนะครับจะยุ่งกับมันะครับอะไรก็ได้อยู่ที่ว่าอนาดนั้นที่จริงนะจิต สำคันบรรทหมายไหมือจิตเป็นกลางจริงจิตปรุงมปรุครั่เอะไรเกิดขึ้นในชั่งมันชั่งหันเลยแล้วก็อิดกันบ้านหนึ่งที่ที่ที่จะเรียนถามเพราะว่าจิตพอหลังที่บอกปกครองก็เริมสนใจทิ้งบไม่ปกครองเลยปล่อยจรแค่รู้อย่างเดียวไม่พยายามปกครองก็รู้ไปเรื่อยๆพอสักพักงไงครับจิตแบบที่มันขุ่นขุ่ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจามบรรดาันใสสรับ บอว่าสักพักนึงจิตทํางานโดยอารมณ์ค่อนข้างมากอะไรก็รู้ก็ทิ้งมันมันจี้กันตลอดเลยขี้มากแยบมาก็ตกใจในการแรกๆแต่ตอนเขาบอกให้เขทํางานไปตามมาช้าและทั้งจิตเขาไปนิ่งอยู่ครั้งหนึ่งพอจิตนี้อยู่ครั้งหนึ่งเสร็นี่ยก็เหมือนกับพอเราเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยครับพอเกิดความคิดความปุ๊บจับจับได้ว่ามีความคิดเนี่ยผมรับถูกขึ้นมาแล้วก็จับถูกได้วางไปอีกพอสักพักหนึ่งจิตก็เริ่มรู้ว่ามีการแบบจิตจิตมันไปรู้อะไรที่อย่างหนึ่งไหวไปดู ก็จับได้อีกว่าเกิดทุขึ้นก็รู้เด็กก็ว่าคือสักพักหนึ่งจิตก็จะเห็นเหมือนกับอะไรไหวๆจิตก็บอกตัวอย่าไปยุ่งสัมผัสทุกแค่ดูพอพอรู้สึกสบายก็หายเข้าไปจิตก็ไปพักนิ่งๆี่มีจิตว่างๆหรืออ่านหนังสือสักพักหนึ่งจิตมันก็ค่อนข้างจะขยายตัวออกแล้วก็ดูว่างสบายขึ้นแล้วก็จิตค่อนข้างจะเบิกบานขึ้นก็จิตแล้วทำอะไรทํำใจต่อครับก็อย่างนี้แหละคืแค่นี้ครับคือทําอะไรบ้างเหมือนนี้ อย่างนี้เปจะดีนะครับเมื่อเช้าได้เน้องกขาบอกว่ามงควันนู้นทุกๆไปไม่กล้าทร่งจิตพอได้ฟังผวกเอใช่เขาจริงเราเลยอย่าปคองาอยู่ห่วกเขาอยู่พอพเขาไปปก็เขไปเลยเลยเห็นก็เห็นไม่เห็นไม่เห็นเทำไปแค่นี้เรื่อยๆเพอเป็นอรก็ช่ากเนอะไรเลยอย่าหลกันแล้วกันอย่าเพ่งกันแล้วกันครับงั้นเวลามาเรียนจะเน้นจะเน้นว่าไม่เติร์ดไปก็ไม่เพ่งไว้ที่เหลือที่เป็นอร่็ช่า แต่ว่าเวลาเรารู้เราดูความนานานเนี่ยบาทีความรู้สึกมันกระจายกระจายไปนะ<ช>ถ้ากระจากระจายมากไปก็ต้องทำสมถะเข้ามาันให้ใจมันมีกําลังตั้งมั่นตั้งมั่นเราจะสักว่าโน้ตสัว่าตรงดดแล้วก็สิ่งต่างๆันไหลเข้ามาเลื่อแต่ว่าถ้าจงใจดูมากๆเลยนะโน้ตจะไหลวนจีครั บ, บ เร็ว ม, มากเร็วจนน้ากลัวเลยเจนน่ากลัวแล้วก็ตัวนั้นเบาปนเรื่องหนึ่งทําใจสบายๆแล้วไปก็สวยมันบอลมากไปไม่ใ ค, คล้ๆเราเราต้องอยู่บนยอดเขาวนะ้วเราดูดูบล่างภาพที่เราดูมัาจากข้างที่สูงเลยนะมนจะเคลื่อนไหวช้าๆให้ดูแต่ถ้าเรากระโจนลงไปนแนบตังมันนะจะเร็วเลยจะชุนงงจังงงมากๆเหมือนเขา้าไปยืนอยู่กลางสนามชนูดดลอะไรแ้บ ก็ดูคือเป็นปฏิิอย่างนี้แต่ว่าพยายามไม่อพยายามเป็นธรรมชาติเขาจะเห็นเป็ธรรมชาติแยกแต่ถ้าเมื่อไรถล่มก็ไป ว, วุ่นวายางในนะก็หยุดหยุดกัรดูสักส ก, ก่อนทักผ่อนจิตใจให้มันสบายเนื้อตั้งมั่นขึ้นพวกหนึ่งก็คือมาดูมากๆก็ๆไปดูไล่ไปอย่ดรอบๆแต่นี้ไม่เป็ดบางช่วงเป็นุกคน มันเป็นท um mm ุกคนอย่างนั่งดูไปเรื่อยๆเหมือนอยรู้อยู่เลยมันสิ่งจิตโสไปหมดเลยดูอยู่ที่ขอบขอย่างนั้นใช้ไม่ได้จิตไม่ตั้งมั่นพอคือไปรู้ตัวที่ถูกรู้นั่นอยู่ตรงนั้นเลยมันมันตัวนี้หายไปหมดเลยเหลือเดียวการที่เราอยู่จะกินได้มันก็ต้องประคองกลับมาดูเหมือนกันก็โตกับคองและคือสมถะนิดเดียวเองไม่เยอะเพื่อกันไม่ให้ไหลมาก มีบางโมงท่านก็เดินถุลงลมอะเดินมากมากวันหนึ่งหลายชั่วโมงเหนื่อยเหนื่อยเนยจิมจะหลก็ไม่มีได้สมบัติในตัวเองไม่อ ย, อยากคิดมากนะของง่ายๆจริงๆค่ถุงตรงนี้มันง่ายครับแต่ค อ, อนหน้านั่งมงสุดโหดเลยสุดโกดแกันก็จะยอมปล่อยตัวเองเร่นเรื่องที่โกงหรยอว่ะ มือซ้ายนะไม่ยึดรูปข ว, วาเขายึดหนางอะไรเงี้ยต้อยึดไปอันหนึ่งไม่กล้าปล่อยนะกลัวหล่นลงไปในความว่างกลัวโม่กลัวไม่ได้ปฏิบัติกลัวเรื่อตัวนี้กลัวไปเรื่อยๆนีคืออะไรมั้งมไม่รู้ค่ะเนี่ยนักดโมวันนี้ก็อ่า น, นาเป็นแต่ว่าถ้ารู้จริงๆก็คืองมอ่านอกไรไม่รู้ ป, ปฏิบัติ ทุชนวางได้ครับอะไรน่วางปัจจุบันทุนวางได้วางไม่ได้หวันลางืนอาจาจริงๆทำได้ทำได้ฝันดูจะทำยังไงวันมี้ไก็ผิดแล้วท่านสิทำได้เราทำไม่ได้จริงๆการทำปัจจุบันเป็นเรื่องของจิตเขาว่างเเองเาวางเขาเองเราเปวางได้ยังไง ก็เหมือ น, จ ง, จ, นดดอจงใจนิดเดียวก็เกิดแล้วจงใจนิดเดียวก็เส็จแล้วเกิดการทํางานโลท่ากเกิดใช่ไหมโลท่าเจตนาเกิดเกิดพบเลยในการทํางานทางใจเกิดพบเข้ามาจิตเข้าไปหยิบฉวยเอาจิตขึ้นมาเกิดชาดหยิบมาไว้อะรูปล่าไปไม่เป็นแล้วก็ทุกข์เลยหนักหนักคนยากตรงที่ขยายความตรงพบนิดนึงครับเพราะปกติเราต้องกาหยิบฉวยไปแล้วให้การที่เป็แบบ บตับพวพบก็คือการทํางานทางใจชื่อจริงของมันก็คื อ, คอกรรมขพบตัวชาติที่จิก็คือปฏิพกการได้มาเชื่อมรูปนามแตว่าแล้วในชีวิตธรรมดาของเราเนี่ยมีอุปฏิพกไหมหรือต้องรอสายรับสื่ไม่ต้องรออย่างนั้นหรแต่ละขณะทันทีที่ตื่นนอนเนี้ยก็เริ่มหยิบฉวยแล้ว ม, มองออกไหมตอนหลับอยู่ไม่ได้หยิบขึ้นมานะ มามา ต, ตื่นมามันเริ่มไป <Yes. S 2> เริ่มไปยิบขึ้นมานล้วพอมันหวานขึ้นมาเริ่มหวานมากไม่คิดเรื่องงานก็คิดเรื่องปฏิบัติ<า> น, นั่นแหละทุกครั้งการทีที่คิดถึงปฏิบัติมักนก็ยิบมาแล้วยิบมาเรียบร้อยแล้วสามารถตรพบยนี้กรณีขวาของชาเพราะชาเ น, นี่มันยิบวัตถุขึ้นมาเลย <c oughs> คือพบกนี้เป็นการทํางานทางใ จ, งใจเป็นการทํางานหัวใจแต่ีมนี้มาก่อน ส่งกันบ้านทพนี่มาทีหลังแต่แซงคิวเปิดคิวสาธิตเสนอหน้าก่อเลยค่ตสงสตยพวกนี้ไม่รู้จักข้มูลถึงอโอกาสจัดาจาข้าวของที่อแล้วรอาฟังแล้วรอกินถ้าว่าไงทีนี้เร่องเนี้ยคือเกี่ยวกันทีพี่นือไม่มีายาทยอบส่งกันบ้านอโอเคว่าไหม เร้เห็นมันไม่ได้ทาอะไรอะมันทำหายลงจำนวนทีเนี่ยมันจรู้เลยว่ามันจะอฟตอรมันก็เอลอืมดีแล้วแล้วแต่เมื่อก่อที่จะเหาไปทั้งแท่งรู้สึกมันจะแน่นๆรู้สึกจะทรมารีแน่นมันมอนไม่ต่อแนวหลเถอเอออย่าให้เผลอนานวิธีที่จะไม่เผลอนานนะก็คือเคลื่อนไหวอย่างเดินลมลมนึกร่างกายเราเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเรื่อย เอาร่างกายเคลื่อนไหม่นี่มาไปช่วยกระตุ้นความรู้สึกตัวง่ายหน่อยอยังหลวก็เทียนก็ขยับนี้่มาใช้ขยับซ้ำๆนะี่กลายเป็นนั่งเข่งมือไปีท่านขยับท่านเตื่นคนอื่นขยับมีอเข่งใส่มือไปเลยหือถ้าเราอยู่ในอิริยาบถหรือเคลื่อ น, นไหวธรรมดาเียอย่างเงี้อยอันี้ก็รู้สึกให้ใครรู้สึกแต่ไม่ใช่นั่นงเจ้านะนั่นงเจ้าอย่างนี้ไม่ได้กินนะ เลียายก็มีชบทไม่ยจ้องไว้ก่อนเว่าร่า ก, กายเคลื่อนไหมคอยรู้สึกไว้นะจิตแดงเคลื่อนไหวก็รู้สึกกต้นความรู้สึกตัวก็ถเถียนเล็กๆเข ย, ยา่าธาตรู้อ่ะซึ่งตอนนี้ยังหลับฟองอยู่หรือเล่าออเออดีที่เห็น ชอบเผยทุาแล้วก็ปลอยร่เลยแล้วก็บาทงทีที่เราหลงแล้วเราไม่รู้แล้วเราคิดว่าโอ้โห่เราไปไหนไปทีนี้ที่เราคือมอเื่อที่มันหลงแบบนี้อืม ด, ด, ดีที่เห็นนะแต่เดิมน่าหลงอย่างนั้นตลอดเลยไม่เคยเห็นในโลกเรื่องหลงพ่อจุกบอในโล ก, โลกไม่มีคนรู้สึกตัวมีแต่คนหลงแต่เราก็สำคัญมันหมายว่าพวกเรารู้สึกตัวเป็นไม่รู้สึกหรอก นี่แต่พอเราเห็นสภาวะอย่างการเสริไปกับการเพ่งเอาไว้เราจะรู้เลยว่าเราปรุงแต่งทั้งวันเลยไม่ปรุงอับกุศลคือเสรอมไปแล้วก็ปรุงกุศลคือเพ่งเอาไว้ไม่ปรุงไปเลย่อยไม่หลุดหรอ ก, อ ก, รอกใช่ใช่ไม่เลิกหรอกหน้าที่ก็ค่อยรู้ไปเรื่อยพอรู้ทันทีที่รู้ความปรุงแต่งว่ า, าขาดชนนาั่วงขณะเดี๋ยวก็ปรุงใหม่ เราไม่ได้เรียนเพื่อให้มันเลิกรูแต่งเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราบังคับมันไม่ได้มไม่ใช่เราเริ่มไปบังคับอีกแ ล, แลเออนะแต่แข็งๆน้ำิ่นนะมันเหมือนเวลาต้องใจจ ะ, อะัอเป็นแบบนี้เออนะเออมันตั้งตั้งเยอะไปเห น, เนื่อยสิเค l ียน อานรู้สึกเรื่อยๆ น, นะพอใจไปทำงานนี้เดียบจะเห็นทุกข์แต่ถ้าเราพลุกอยู่กับความทุกข์จิตของเราทำงานตลอดเลยเราไม่เคยเห็นนะเราก็ไม่รู้สึกทุกข์เท่าไหร่ ม, มันทุกจนชิน่ว่ากลายเปนว่าเราเห็นมันแล้วันแปลงแล้วเนี่ยไม่ดูมันอาการจริงอใครคิดว่าเกจะคิดแทนให้มันสบายช่างมันเเออไม่เอาเห็นนะรู้ รู้ใจเราไปอย่างที่เขาเป็นอย่างเช่นเขาเผลอไปรู้ท่านแล้วเขาเผลอไปเรารู้ว่าเผลอชอบพิพาทวิจารเหมือนรู้ทันแล้วหนุนพิพาทวิจารจารู้เล่นเล่นรู้สบายสบายอย่าทั้งใจเยอะปล่อยทิ้งสาเสียทั้งใจเยอะรู้สึกไหมว่าพอวางลงไปใจก็สบายเาื่อปฏิบัติให้คนทูกนะ อะไรบ้างที่เป็นทุกข์ก็กายกับใจเป็นทุกข์เเกณไว้พอพิ่งคับใจก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วัคับกายก็ทุกข์ น, นะบังคับใจก็ทุกข์เราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติจนมันคนทุกข์ไม่ใช่ไปบังคับมันแต่เม็ดเป็นไงอ่ะ มาคราวนี้ดีกว่คราวกว่อนนะจิตใจอะใช้ได้แล้วลนะที่จริงการปฏิบัติเนี่ยเราจะมาอยู่กับจิตใจที่สบายอยู่อย่างนี้แต่แล้วพอมันสบายแนละ้วอะไรแปลกปรอมขึ้นทางใจเล็กน้อยเราก็เห็นเลยเหมือนคล้ายๆบนโตน๊ะนีมีของไหลนะ่างใจเรามีเครื่องหลุนะมหลัยแล้ิ่งโจมมาสักตัวเราไม่เห็นหรือก่เลสแทรกเข้ามาเราไม่เห็น แต่ว่าถ้าใจเรารู้สึกตัวคือเราจะโล่งว่างอะไรแปลกปลอมมานิดนึงก็เห็นนะะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆอย่างแกล้งประคองอยังทําอยู่เพิ่งดูออกไหมเจ อ, อนะถ้าหนักอยู่ก็ยังทําอยู่เลยทํายังไงดีลุ้นแปลกทำไม่ได้หาทางจะให้เลิกประคองก็ไม่ได้นะ วันนี้ดีกว่าเมื่อวานคืใช้ได้แล้วแต่มันดีได้มันก็เสื่อมได้เนาะจมูเนาะยงเูแบ้งเสอทั้ง่งเลยอ่ ะ, ะมันก็มีแค่นั้นแหละไม่เถือไม่เพ่งก็ถตึงใช้มันรู้ตรงที่ผิดก็ถูกเลยแต่รู้สึกไปแล้วมีความสุขเป็นไงรู้เรื่องอยัง พยายามรู้ว่าพยยารู้อย่างที่มันเป็นนะนี่ไปเรเวลากี่เลสเกิดมองออกไหมเเออโโหรู้โมโหเรารู้ก็ใช้ได้นะคือหัดใหม่ๆอย่างเวลาให้สบายากายาการปอ๋อไม่เป็นไรนะหัดใหม่ๆก็อย่างนั้นแหละครูบาอาจารย์ท่านเลยเตือนแอให้ขยันปฏิบัตินะ เวลาจะตายเนี่ยปวดยิ่งกว่า น, นี้อีกเนียจิตกระเจิดกระเจิงหมดเดีวต้องซ้ามไปก่อนหัดใหม่ๆเราจะรู้แต่สภาวะที่หยาบๆหน่อยอย่างความโกรธความโกรธมันยาบอย่างความโกรธเกิดขึ้นเห็นง่ายความโลภเกิดขึ้นก็เห็นยากหน่อยความหลงยิ่งยากหนักกว่านี้ไย่ค่อยๆหัดทีแรกต้องตรวจแรงๆถึงจะเห็น หัดรู้หัดดูต่อไปขัดใจเล็กๆก็เห็นเริ่มเห็นเนี่ยขัดใจเล็กๆือต้องโกรธใหญ่ๆก่อนตัวเราบ้า ง, างๆนะหัดดูไปด้วยแต่ไปขัดใจนิดนึงก็เห็นแล้วยกตัว อ, อ, อย่างนะสมมุติอากาศเยน็นๆอากาศเย็นๆเนี่ยลมโชยมาถูกตัวเรานะโทรศัพท์ก็เกิดแล้วนะนะไม่พอใจเราอยู่ในห้องร่มๆสบายตาเราสบาย เป่อประตูแสงแดดกระทบตาปุ๊บโศกเกิดเนื้อสติปัญญาเราค่อยวัขึ้นไปขึ้นเราเห็นกิเลสให้ตัวอย่างเล็กๆนึู่้ต่อสู้ตัวเล็กๆหนก็พอสู้ง่ายเลยจให้ตัวใหญ่ยาะตอนนี้ทำอะไรเออเลิกซะให้รู้ทานเราเลิกซะอย่างนี้สบายกว่ารู้สึกไหม ใจจะโล่งๆไม่มีอะไระเพิ่งไปทำอีกล้วพิ่งอย่าไปแก้งทำอีกนะนเคยชิมลงชอบไปแช่แช่แล้วสบายมีคนหนึ่งนะแช่ไปทั้งวันแช่แช่จะเหมือนกดไปโลกเผลอเลยนะมึนเผลนสบายทั้งวัน เออดีดีนะหัดดูบ่อยๆต่อไปจะรู้เลยว่ามีอารมณ์เยอะแยะเพราะฉะนั้นแะเราเรียนไม่ใช่เพื่อบังคับเขาหนี้เราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเราจะดูได้ไหมมันไม่เที่ยงเราบังคับเขาไม่ได้รู้สึกไหมเดี๋ยวเขาก็คิดเดี๋ยวเขาก็ดูเดี๋ยวเขาก็ฟังอย่าเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวเป็นทุกข์เดี๋ยวโลภโกรดโงลยเลือกไม่ได้ ถ้ดูในองของจริงมันสใจเรายอมรับของจริงนะเราบังคับเขาไม่ได้ไม่ใช่เราหรอกให้ยื้อก็ง่ายๆแล้วไงดูได้สิบครั้งหรอเอออเยอะใช่ยิ่งเยอะยิ่งดีนะต้องหลดนะเธอต้องอย่างนี้ดีแล้วไม่ใช่ดูได้ตลอดนะหลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้นก็อย่างนั้นเยอะไป ให้ก็หักนะไปด้วยใจเราไหลไปปุ๊บเราก็รู้ฝึกไปเด้่อยเสร็จแล้วเราจะเจอในแซงชอกให้ไปเกาะโน้นเกาะอันนี้เกาะแล้วเราไม่ออกด้วยตอนหักใหม่ใหม่เคยลองนะต้องจับใวลาดูซิมันจะหลุดได้ในกี่วินาทีเวลาที่มันเกาะพอรู้ทันแล้วมันกี่วินาทีห้าวินาทีไม่หลุดเนี่ยตายแล้วยังเดีโอกาสไปอบายนะ มันจะตายมันต ja> e um um um um ั้งหลักไม่ท yup. ันอ่ะสมมติว่ารถมือนคว่ำเนี่ยมันมีเวลาสักสองวินาทีเนี่ยจะทันไหมค่อยๆเฉลี่ยเค็คเวลาเยวสามวินาทีจะทันแน่เกิดต้องตายเลยหนึ่งวินาทีสองวินาทีในเวลาจะตายนะจิตจะทํางานเร็วมากในเวลาแวบเดียวนั้นถึงวินาทีหนึ่งเนจะทํางานได้หลายอย่าง เคห็นเด็กคนหนึงถูกไฟดูดบ้าน เ, าเนจ้ากันตึกสามชั้นตึกแถวฝนมันตกหลังคามันรั่วเห็นน้ำมันซึมแล้วพอฝนมันจุดก็ปีนขึ้นไปดูเพราะมันรั่าที่ไหนันึ่งอยู่ใต้สายไฟแรงสูงมาไปไปจับผนังก็หอบไม่ได้ถูกสา ไ, ไฟไฟมันดูมือติดผนัง ผิดแนะ่้มึนดาบตกใจขณะแรกก็คือตกใจถัดจากนั้นกลัวหลัาางจากนั้นรู้ว่าไม่หลุดแล้วคราวนี้เสียใจอาลรยอาวอารณ์แล้วก็เด่อยตาคิดได้เยนะ น, นึ่ง๑ได้เร็วมากเลยเพนั้นเราหันดูไว้ดีนะจะเร็วทุกครั้งที่รู้ทันนะ แตถึงแต่แรกย็ขาดแลยลืนออกมาเลยเวลาจะตายตัวตั้มปุกบตกใจเห็นตัม้มตกใจพร้อมจะตายลแล้วเมื่อก่อนทาไม่เป็นปวดจับวจเวลาทายังจะดึงมันออกให้ได้เร็วๆ <c oughs> นึกว่าเจงนะงา็งนะนึกว่าเจ็งเราทอนรานอย่างเงี้ยครับว่าพยายามจะเด็กให้ได้ให้ปวดลงเร็วที่สุด นนี้สุดท้ายก็คือโม่เออแน่โม่เลยเหมือนต้องโม่ก่อนมีขยิบอาชมภูถ้าไม่ต้องแก้เนะ ใ ห, ให้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางเวลาใดเกิดขึ้นนะชมพูรู้ทุกอย่างนะด้วยจิตใจที่เป็นกลางเ้ื่อเป็นกลางแนะเนี่ยเราจะมารูที่จิตที่เป็นกลางคราวนี้จะเสมอละหมดเัยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะเราก็รู้ลงมาถึงจิตที่เป็นกลางไม่ปรุกแต่งต่อเนี่ยทุกสิ่งเนี่ยดับไปหมด แ้วดีแล้ ว, ลวไม่เป็นไร <c oughs> เพราะว่ากลับไปก่อใหม่ก็เป็นธรรมะเขาสอนเราว่าเธอบังคับฉันไม่ได้หรอกงั้นคอยรู้ทันเรื่เยๆจะไม่ไมไเกลียดนะเออดี แค่แค่นั้นราม็างันนเื่อไกือยมินาใน่งาในที่้านที่จดคเนแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ยินเออเยินะถ้าเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาก็รู้ทัน ในสุดจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางต่อทุกๆสภาวะที่เราฝึกมาเพื่อตรงนี้ฝึกจกนกระทั่งจิตเรามีปัญญาเป็นกลางต่อทุกๆสภาวะเม่ออะไรเกิดขึ้นนะตักว่ารู้ว่าเห็นความเจริญเกิดขึ้นแล้ตักว่ารู้ว่าเห็นนะเสื่อมก็ตักก็รู้ว่าเห็นไป เฝึกไปเรื่อยๆดีแหละีมันร้ว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็มทันขแต่ามันเที่่้คอยเนนอ่ไปีตั้งใจตัมัน้จะตามนรู้ไรื่ๆมันม่คอยอมันเคยชินมันเคยชินที่จะตรู้นะเนื้อใจมันจะสุดโตเหมือนกันเวลาเราลงมือปฏิบัติ ไปอ่านเรื่องของแทาจริงมหาบัวไหม ท, ท่านบอกว่าท่านอยู่กับหลวงปู่มัน่นช่วไปอยู่ใหม่ๆท่านทําแต่สมถะทุกวันในยหลวงปู่มั่นก็ถามว่าจิตเป็นไงบองกว่าสงบดีสบายวันที่สุดก็โดน ด, ดุว่าไม่อยอมเจริญปัญญาพอมันเจริญปัญญาตามรู้ตามค้นคว้าอยู่ในกายในใจเลยค้นคว้าเพลิดเพลินไม่ยอมสงบนะเมืนจิตของสมภูอ มันจะรู้รูปเดี่ยวมันไม่หย่อนพักเงั้นวิธีการนะหัดพุทโธหรือพุทโธธรรมโมสัพโธก็ได้เร็วๆพุทโธพุทโธพุทโธพุโธัรมโอสัพโธพุทโธธรมโอสัพโธอะไรเงี้ยอย่ากให้มันมีช่องโหว่เพราะว่ตอนไหนที่สมควรพักนะก็จงใจทําสมมติฐนพุทโธไวๆนะอย่าให้มีช่องโหว่ให้มันหนีไปงั้นใจเนี่ยมันเคยชินที่จะออกรู้มันจะรู้มากเกินไป สุดโต๊คูบาอาจารย์เปรียบเหมือนมีมีดอยู่เล่มนะเอาไปฟันน้นฟันนี้เลยฟันยนซื่อแล้วยังออกแรงฟันไปเรืยขยันโลวงพ่อไคยเปรียดูไวริ่ไวร์ไวๆเนี่ยดูดูอย่างเงี้ยดูประจนหน้าอับนี้เป็นเดือนเลยไม่หยุดทักเลยนะทั้งวันทั้งคืนไหวๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยพอ้เหนื่อยสุดสีแล้วทุกอย่างวันนี้ขอไม่ปฏิบัติอ่ะขอไม่ดู พอไม่ดูมันก็ไม่ยอมมันจะดูนี้ส่วนต้องบังคับนะกลับมาทำสมาธข้อหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทออกัวนับหนึ่งพูดออกโวนับสองนับไปยี่สิบแปดครั้งค่อยยอมลงไปพัก ล, ลงไปพักแล้วพอถอดขึ้นมาเนี่ยริ้วๆนีใ่ใหม่ละกระทบปับขาดสะบั้นเลตอนนี้ เป็นมันใล้ยๆสติปัญญาของเราใช้มากไปกำลังของสมาธิไม่พอเราก็ให้ใจได้พักผ่อนใจพักผ่อนแช่มชื่อย้อนกลับมาสติกระทบอารมณ์ปั๊บมีปัญญาตัดเลยในการปฏิบัติเนี่ยถ้าใครทำสมาธิทำสมถธาก็ได้จเจริญปัญญาก็เป็นก็ได้เกลี่ยคนไหน ทำสมถาไม่เก่นล้กทุกคานเหนื่อยยากัปฏิบัติแบบแห้งแรงลำบากถ้าคนไหนวิปัสสนาไม่เป็นยิ่งแย่ใหญ่สบายลุกเดียวกะพุทธเจ้าอุทานชิบหายซะแล้วนึกถึงอะาราษกะาษกระดาษกระดาษกระาษกดาษกระดาราษระาะดั้นถ้าใจมาษกระดาษนะดาษะแาษงรระนะ พุโทโธนำโมสังโฆอะไรไว้เล ย, ยให้มันเร็วๆไม่ให้มันหนีตอใจมันเริ่มสงบมันก็จะช้าลงมันจะพุโทโธช้าลงใจมันสงบจริงๆมันทิ้งพุโทโธไปแต่ก็รู้อยู่ว่าปรับสงบพักผ่อนพอสมควรจิตเก็เคลื่อนออกมาทํางานคราวนี้ยตามรู้ตามดูอารมณ์มันจะค่อยๆมาเนิบๆไม่มาแบบทุกทิศทุกทางนะอารมณ์บอกช้าอย่างบอก ตั้มเนหรือว่าเป็นแค่ๆเรายืนอยู่บนถูกเข่าเราเห็นความเคลื่อนไหวข้างล่างหรือเราอยู่บนเครื่องบินหรือเาเห็นรถวิ่งปักไผ่ะแต่มันจะช้าๆเห็นมันมันเคลื่อนไหวช้าๆแต่ถ้าเราโดนลงไปยืนอยู่กลางถนนเนี่ยเหมือนรถเยอะแยะไปหมดชุลมุนใจจ้ามีกําลังทั้งมันมันจะอารมณ์อะไรช้าๆให้ดูจะดูเหมือนดูภาพไมโครไปดูทีละชิ้นเล็กๆกบ